ปู่ย่าตายายตายเขาไปสร้างหวงซุยเอาไว้ถึงปีมาเขาพาลูกพาหลานไปกราบไปไหว้อันนี้คือวินยัยคนตายแล้วไปกราบไปไหว้ทำไมไปไหว้ผีเหรอเขาไม่ได้ไหว้ผีเขาไหว้บุญคุณปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเขาแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานในวงศสกุลนั้นโตแล้วต่างคนต่างไปต่างไปหาอยู่หากินปีหนึ่ง